เรื่องมานให้ฟังว่ามาณว่ามาณนั้นภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าอุปสัก์การขัดความขัดข้องเรียกว่าอุปสักร์ภาษาภาคจะเรียกว่ามาณ ทำการทำงานอะไรขวางหมดขีดขวางขัดของนั่นเรียออกว่ามานท่างศอกาสนาท่านจัดไว้นิห้าประการคือคันธมาหนึ่งวิเลธมาหนึง มัจจุมานหนึ่งคือ ส, สังขามารเทวบุตรมานนี่ห้าอย่างขันธ์มารได้แก่ขันธ์คือตัวของเราก็จะชักคัดค้องในการทำความดีเช่นว่าการเจ็บการป่วย ในยดีสบายถึบริษัทแห่งการทำคุณหาสความดีอันนี้เรียกว่าั้ทมานชีเละมาลคือความยุ่งเหยิยงเกี่ยวของผักพันการอาชีพการ คิดข้างวนเกี่ยวข้องผกพันมีนม่อาจจะ ต, ต่างหลายอย่างอะไรประการคิดจะทำดีคิดจะทำความดีของงานมีประจักค์ขัของหลายอย่างอะรประการมันเรียกปรงมานเกิเลสประมาณัดจุมานคือความตายบางคนนั แนวท่านเติบท่านโตนหนุมยังไว้อยู่คทกว่าที่จะได้ประกอบคุณงามความดีให้รู้่วงใส่ก็เลยตา้ก่อนเสียเสียบา่ามาจุมานแลิวก็ังขาระมานความคิดอยากจะเป็นใหญ่เป็นโต ก็เป็นเทวบุตรเทวดาที่อินทุนคงเรียกว่าเทวิตตมาลเพราะเหตุที่คิดใหญ่คิดโตคิดกว้างคิดกว้างเกินไปที่นึกว่าคัดคล้งคงคองแกะการลงชีวิตของตนในสมประสงค์ของาาธนาจิสังขารมาม เทวบุธรตัมมาพูดถึงเรื่องไญ ย, ายามาลาทีราอยู่ในชั้นชากามาขยจรนคิดอิจฉาดุษยาพญยาฏาาาาิจงร่าจงผ่านพระองค์เป็นเทวบุตรเจจิตคิดพุทธสารายเป็นแถวบุตราาาเตจิต คิดชั่วมันไเนี่ยแบบเท ว, วตมาตามตำราทําราอย่างนี้ถ้าจะจัดใหม่ชั่วมารทัางหานี้จะจัดอะไรจะอะไอไขึ้นก่อนก็ตามไม่ใช่ํำดับกันจะเอาทีเลส ข, ขึ้นก่อนก็ได้ เดียวขันธามาลขึ้นก่อนก่อนใดเทวทบุตรมาลเนี่ยทิฏังคาลาลเทวบุตรมขึ้นก่อนใดทั้งนั้นรไม่มีกฎมีเกมแต่ที่ทันวาไว้โดยําดับหนึ่งสองามของที่นับนึ่นี่นะนับอะไรขึ้นก่อนก็เป็นหนึ่งทั้งนั้นนะไม่ว่าอะไรทั้งหมด ในนับหนึ่งก็กได้ถ้าหาวาจะจัดกันให้เข้ารละเบียบมาทางหานี้จะจัดใหม่ก็ได้ขันธามานแล้วก่อนขันนั้นคือหมายความถึงกองั้งกลุ่มถึงก้อนั้งเหล่า คนเล่านั้นมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันถึงเล่าขึ้นมาเพียงเดียวขันเมื่อแช่ขันแล้วมันจัดมัจจุมาคือความตายขันนั้นเองตายไม่ใช่อืน่นใครขันเป็นคนตายขันเป็นคนแตก อันเป็นคนดับจัดอย่างจะเข้าใกล้กันดีชวนนอกนั่นที่เรสมาลที่สังฆมาลเจกสังฆารมาณเทียบุตรมาณจัดเข้าในพวกคันหาไปดีคือว่า สองอันเบื้องต้นที่จัดเป็นขันธมารในมัตสุมานี่เป็นขันเป็นรูกขันส่วนนอกนั้นเป็นนามขันเรื่องสิตเรื่องใจเรื่องสิเลสอันนี้จะดีกว่าอันนี้ฉันพูดถึงเรื่อง <c oughs> ด้านปฏิบัติเอาอย่างกระทัดนัดเลยทีเดียวขันธมาร คือนรูปคันนี่แหละเป็นรูปเป็นกายเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีอาพาธเจบป่วยด้วยปราการต่างๆเย็นร้อนอ่อนแข็งดีบ่งทับด้วยสิ่งแย่รอมอันนี้เรียกว่คาคันตังมา บางคนจะนั่งสมาธิภาวนาก็อาภาษเกิดเจ็บเกิดป่วยนั่งไม่ได้นอนก็ไม่ดีนอนก็เจ็บก็ป่วยติดนวนติดนี่จะยืนจะเดินจะเหวินไปมาแกเท่าจะดาเกินไปนิดเดินก็ไม่ได้ หรือหากว่ายังอยู่ดีสบายยม่มีลมยังไหวแต่หากเกิดอ า, าิาตเดินไม่ได้นืยาบททั้งสี่นั้นไม่เป็นไปลแล้วเกี่ยวขันธมาม น, นเดียดเดือน บ, บังคับไม่เราทำคนดีได้ ใ, ใจแลวอยากทำอยู่ เันยนบรรพไม้ถังอันนี้เรียกว่าคันธมานัจจุมานที่ความตายตัวคันตัว น, นี้แหละได้ก้อนที่รูกอันนี้ะมามามาทำอะไรมนเกิดมาพิจารณาถึงความเกิดแล้วก็แปรมา ส, สภาพแย่สภาพโดยดับดับ ตายมาโดยลำดับตั้งแต่อยู่ในครัก็ตายพอแ้วกอครรภ์ก็ตายตายส่งแตสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปจนแก่จนเฒ่าทุกวันนี้ก็ตายนั่งอยู่ที่นี้ก็ตา ย, ย, าตายเปลี่ยนสภาพไปโดยลาดับตายนาทีวินาทีตายวันตายคืนตายปีตายเดือน เรียกว่าตายครับตายจนกระทั่งวิริลงหายจ่ายปชีวิตขาดใจร่างกายผู้พิจนาเหตุอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วเป็นผู้ปฏิบาติเป็นผู้ทำคนเพียรตลอดเลยนะ ยืนเดินนั่งนอนนิริยาบทใดๆมาเหตุเสียรประโยชน์ทำประโยชน์นห้เกิดมีขึ้นแก่ตรวองเราแย่เสียเวลาเวลาคือความมตตาหมันมกม น, นั่นเองมีสติทุกเมื่อนั่นเองผู้ที่พิจารณาขันธมารพิจารณามาัจจุมารต้องเป็นอย่างนั้น ความข้าวนางหรือความรีบเร่งของเราไม่ถ่อถอยข้าวไว้ถูกความเจริญทางธรรมะไม่ให้มันนอนนิ่งอเฉ่เฉยไม่ปล่อยให้เวลาเวลาล่วงเลยไปเกิดมาได้เชื่อว่าเราเความตายคอยจนมันจะตายวัดไหนก็ไม่จับ ไปตายวันตายคืนไปอย่างนี้ใ้เสียรไปรื่าคุณงามคนดีใส่ตัวไว้ดีกว่าที่มันจะตายเฉยเราไม่ได้ทำคนงามคามดีชีวิตหมดไปตายไปตายไปทุกวันทุกคืนทุกทีทุกเดือนไม่ได้ประโยชน์อันนีเรมจุมาน อันนี้ี่เรชสมาเนี่ยครับควิดความนึกพุ่งสร้างสงสารความเพิ่มความแต่งเต็มยั่งยั่งอยากได้อยากดีอยากมีอยากเต็มสิ่งทั้งพวงมดัดคิดนึกเพิ่มแต่งแต่รู้ว่านะ่าจะเป็นที่เดชสมามันแย่งเอาชิตนี่แหละที่เป็นอยู่ เนี่ยมันตายไทุกวันทุกวันเลยมันแย่กความดีของเราไปทำชีวิตของเราให้เสียเปล่าจากประโยชน์แทนที่เราจะตั้งสตินักษาจิตไม่ให้วันไหไปมาในะตียงต่างมันเลยมาพลอยเอ า, าพลอยเอาจิตของเรานั่ยนะให้ไปวุ่นวาย สงสารอะ่อต่างๆนั่นเป็นมารเป็นกิเลสช่วงนึ่งมาบังมาตัดรอนเรามาเราทำคุณงามควาดีไม่ให้เราสร้างมารไม่ให้เรามีสตินี่เรียกกิเล ส, สมารอภินันท์สังขมรถ้าภินสังขารมาน เขาทำนองเดียวกันนะคิดอยากเป็นไหญเป็นโตคิดจากดีวิเศษดีสูงคิดปรุงแต่งจนเหลือเกินูมิในโตจนเหลือเกินภูมินั้นก็เรียกว่าอปาิสสังขาละมา ยวพุทธมารานอยากดิบอยากเดียวเดียวพนนนอยากเป็นเทพชั้นนันอยากเป็นเทพชั้นนี้ความคิดของคนคนคนเดียวน่ะเรื่องเดียวน่ะเห็นม น, นดษั้นเองมีความสุขอยากจะเป็นเทพพระพุทธพระดาไ ป, ปินไปชม มันก็เกิดชั้นฟ้าสวรรค์ยิดไม่ตั้งมั่นอยู่ในที่อันหนึง่งยิดไม่ตั้งมั่นรักษาสติไม่ด้มั น, นคิดรวมคิดแต่ง น, นั่นแหละเที่ยวบุตรมามันทำไม่ให้เราตั้งมัน่น่ในอันดี ตั้งแต่กิเลสขมานพระพิสังขามานเนี่ยทุตมาทั้ง3นี้จัดเข้าในลูปหนัอรูปเข่าลูปกระทำถ้าเราตั้งสติเราตั้งสติกำหนดจิตแน่นแน่แน่แนแนอยู่ในที่เดียวแล้ว ให้ปลุกไม่แตกไม่เป็นหมานเราบังคับจิตของเราได้ให้เปเดชะตาจิตเดชะตาเราเราบังคับจิตของเราได้อยู่กับที่เรียกว่าเราชนะหมานไปพักนึงถ้าหากเรารักษาสติอารมณ์ของเราอยู่ตลอดเวลามีสติควบคุมจิดทุกเมือ่อ แม่ทสสรงใจเัาเรียกว่าเราชนะโดยเด็ขเดขาดยันนี่เราต่อสู้มาคือกิเลสสมาณกับพิษสังขารามาในาาบุตรมานมี่แหละทุกวันเรา ต, ต้องการต่อสู้มันคิดมันเนกมันสุ้งมันแต่ม มันไม่อยู่คุมที่มันมีกระแสส่งตายไปเราควบคุมสติควบคุมใจให้อยู่ได้ถ้าเราอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าแพ้มันถ้้อยู่ได้ก็เรียกว่าชนะเราจะเอาชนะมันโดยวิธีอื่นไม่ได้ กติตัวเลี้ยวเท่านั้นตั้งมันชนะได้ท่งนั้นพระโพธิเจ้าท่านชนะมารท่านไปจนมารก่อนที่จะถึงเป็นพระโพธิจักเป็นสัพนิยูต่าง สติตัวนั้นน่ยตั้งมันงนง่นแน่วแน่ลงไทีเดียวแล้วสติตั้งมั่นในมันไหเหมือนกับพื้นแผ่นกสทางสติอท่านเป็นมหาสติตั้งมั่นแน่วแน่อย่างเหมือนกับพื้นแผ่นกับสุดทางนากล่ า, า, าวถึงเรื่อง นางเรเินีมาเป็นแค่ขีริญาณว่าแท่นบันลางนี่นะเป็นของพระตถาคตเป็นของเาราใร้มาเป็นวิญญาณให้ม่มีสักคนเดียวนอกจากนางทเรนีมาเปาวิญญาณเป็นของพระตของพระติทานอาจจะประมาณแท่นเดียว สติก็โอค์ทงกันตั้งมั่นอย่างหนาแน่นอย่างมั่นคงอย่างแข็งสุดท้ยายจึงได้สาเร็จเป็นพระทหารสมาสุดทุกข์สติตัวนี้ใช้ได้หมดอ่าหารเราตั้งมั่นตรงในที่ใดแล้วเรื่องใดแล้วสิ่งใดแล้วเปนน็นเอาชัยชนะหมดทุกอย่าง สติแล้วก็มีอยู่แต่เราไม่ใช้เนีย่ยนั่นจรินควรที่จะใช้สติของเราเป็นของเรียกร้องเอาได้ตัวสตินี่ในตัวของทุกคนเว้นด้าเสี่แต่คนไม่ใช้ปล่อยตามน่นึ่ตามคี่คนเรามักปล่อยตามเรื่อง ถ้าครอบคุณสติให้อยู่ในตัวแล้วไม่สบายคอยไปตามรออารเรื่งองตามราวึง่สบายเป็นอย่างนี้เมากคือสบายคือมันไปตามอารมณ์ของมานั่นเองไปตามอารมณ์ของคิเดไปตามอารมณ์ของมานั่นเอง ถ้ามานมนแต่มันคับเข้มาไดครับแค่แต่มันจะบังคับตรงฝ่ายไปได้ประการไดมันไม่ต้องควบคุมเลยหาว่าเป็นของสบายใช่ไหมแท้จริงเราวควบคุมเราอยู่ในตัวเราสติเรากควบคุมได้อยู่ใง่ายตอนนมีอิสระกว่านั้นีก มาควบคุมมันจะมีสติรัลอย่างปล่อยตามเรื่อ ง, อ ง, อ ง, องเอาวว้ล่องไห้รล่องหูเข้าโศกใจใจในเมื่อเหตุกานขึ้นเกิดขึ้นมาอะไรอาวรในเมื่อเหตุการณ์นั้นขึ้นมันไปตามเรื่องหน้าของเรื่ เข้าโศกแยใจอะไรวานร้องไหง้ร้งหมันดีถ้าเราสติไปคุมจิตไม่คิดทงสรายไปอารมณ์นั้นตั้งมั่นอยู่ไม่เห็นปรากฏอะไรเลยสติตั้งมั่นอยู่ในนั้นมันจะเข้าอาะไรก็ควบคุมจิตให้อยู่ในนั้นมันคนที่จะโสกมนกไม่โสกควที่จะรักมคว ท, ที่อะไรวาน้อง เด่นะคนมโบราณคนร่วมคนตายญาติที่ต้องที่ตายไปตั้งสติให้ดีสีิตั้งสติให้ดีเขาก็เตือนกันว่าตั้งสติให้ดีได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาตั้งสติให้ดีอย่าปล่อยใจไปตามนั้นตั้งสติอะไรเศร้าตั้งนนคนที่ปอกกระปอกให้ถึงไม่รู้จักสติสัก นล้วาว่ตั้งไว้ตรงไหนไม่ใช่พิจารณาใครๆก็ลองคิดสู่ตั้งสตินั่นนหะาวตั้งตรงไหนตั้งโดยประกาศเนี่ยสติใช้ได้ตลอดเยหรืใช้ได้แต่ยากถึงยถึงที่สุด พระพุทธเจ้าแตใช้สติตัวเดีเยวมรรคเขาบอกว่าพระรันาตนตรัคืออะไรเขวาว่าล้วก็ตอบคำถานั้าก็ตอบเขาว่าพระราตนตรัยคือพระบุตรพระดามพระสงฆ์เขาหัวเราะกาวเลยเม <c oughs> เขาได้อธิบายว่าพระรันาตนตรัยคือละชั่วทำดีเมื่อ หลงเงนละชั่วทำถือพระพุทธประธานระสงฆ์คือพระพุทธประธาระสงฆ์พระพุทธเจ้าทั้งก่อนละชั่วแล้วทำจังค่อยเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านก็สอนนั่นสอนละชั่วทำดีนะั่นพระสงฆ์ก่อนละชั่วทำดีนะั่นมันของมันก็ถูกมันก็ที่นั้นเราถือตามศาสนะถือตามระดับศาสนา มันในกระทัดลักไม่อย่างถึงความจริงของภาษาใช่ไยมนังศิแล้วเถือนศีลห้าศิลแปดศีลเจิบศีลต้อยยี่ิบอู้ยมากมายจริงรักษามไม่ไหวแล้วศีล ม, มันมากอย่างจะห้าตัวก็เยอะแยกอยู่แล้วว่าเป็นจริงเนี่ยศีลนีี ม, ม, นมาก ชิ้นนี้มีตัวดีคือเจตนานหมดเรืนองแต่ความชั่วมีให้อุตภะเกิดขึ้นในใจแล้ะชิ้นไม่ยากแค่เมดเดียวมีแล้วอายปากกลัวปากเท่านั้นเกิดขึ้ขนในใจแล้ะชิ้นไม่มากแต่ตัวเดียวเท่นั้นหมดเรื่องความชั่วดังฟองหมดเรียกิดความชั่วดังฟองโมเลกอลข้อเว้นเหมืนนั้นคุกตัวชิ้น ข้ากับอาตมปฏิปิณิานรด้วยานี่แต่คนชั่วคนงดเว้นคนฆ่าศสตจงคนงดเว้นจากฆ่าศสตร์อาตมาปฏิปิณิชจานขาดของวัตถุอาถุนสุดตาไ่ไรแต่งดเว้นจากัานเห็นว่าการานอันนเป็นของแม่ดีงดเว้นแงานนั้นเน่เป็นศีลเลยมีคนมาวันนั้นข้าวซุนชันนาวิบูนมาท่านเป็นคนรวบลัดหัวขอ มันย่อไม่ลงท่านเทศอาจารย์เทศมาย่อไม่ลงมันจะย่อลงอะไรลงแบบมันพุ้งซ่านทัานจากหัวคอได้แล้วมันจะย่อลงจริงจะย่อศีนห้าศีนแปดตั้งบทฉีไปย่อให้ลงสองคอสองผมไม่ได้ลงย่อลงพอเดียวา็ไม่ก็มาชมเห็นมีที่อุตสา้วงดเว้นจากขมชั่วดไม่มดเรื่อง ทั้งหาที่นี่แปดเจิดกว่าดีสองว่ายี่เจ็ดกว่าดีท่านบอกวามชั่วท่านพูดวามชั่วท่านจะหากว่าไม่ทำชั่วแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องผิดจากสิดไม่หมดเรื่องกันองเทสนาวาเจ ต, ตนาหางังคิดก็เวจีลมามุธามิี เจตนาคือความงดเว้นอนนะั้นเป็นตัวสิ้ธนักษาได้ง่ายอับและนี่มันเชื้ดายวามชั่วนดีเห็นชั่วแล้วแต่ยังเสื้อด้ความชั่วอยู่เนี่ยทั้ ง, ย, งยังไม่ไหวที่จะทําวามชั่วอยู่สิ่งนี้เป็นของยากยากขัน้นเมื่อ ทำเทวรักษาชินรักษาชินคือรักษาข้องที่ทเจตนาเงดเว้นนี่แหละไว้หน้ดีถ้าเมื่อจับจุดตรงนี้ได้มีฮีโรทพ่าเลยท่านี้ชินรักษาตัวได้หเล่าไม่เกิดตัวไปรักษาชินไม่เกิคนรักษาชินชินกลับมารักษาตัวหรอกจะทําช่วงกัระวังอยู่ทาพิษอะไรต่างๆมันรู้ตัวอยู่เสมอ ทำผิดทำชั่วไม่กล้าทำเงินเดียวกับชิ้นรักษาชิ้นรักษาตัวคนชิ้นรักษาและก็สบายไใจๆใจก็สบายเกิดความเมตตาเห็นดูสถาบันกอย่างมีความหมดเมตตาผอ้มีฐานมี้นนั้นสติควรจะค่าเห็นเขาก็หยุดดูเมตตาของที่ควจะลกสงสารเห็นดูเมตตาเจ้าของหรืออยากจะให้เขาได้ของนั้นมันมีมันรวยมัน เริญรงเรืองขึ้นคนหนึงเพืพ่อจิตในใจกลางก็เห็นสัญญาท่านเองเกิดเหมือนกันตัวของเราเน่งของเรากับของเขาก็เหมือนกันมานเป็นอดสักขาดของของชีวิตความเป็นอยู่ของเราเรียกว่ามานเทศต่อที่เทศในวันก่อนมันเทศไปแล้ว อันนี้จะเทศซ้ำเติมอีกความเป็นอยู่ของโลกนั้นนะทุกคนต้องมีมาต้องมีเครื่องคัดข้องสมัยใหม่เ็าเรียกอุปสรรคำเดิมของที่โบรานเราเคยเรียกมาว่ามานามทำอะไรทั้งปวงหมด มันคัดข้องทำไม่สะดวกข้องแควหรือทำสะดวกแต่มันมีจีดกันเดี่ยบางอย่างประการเขาเรียกว่ามาแม่บ้างเขาทำครัวที่สุดนั้นแต่แมวมายุ่งกับมันมานันนั่นเอมาบรบกวนฉันนี ตัวเล็กเด็กน้อยตัวนี้เป็นมาร น, นี่มารบกวนก็มารของเรานี่ยแหละไม่ใช่มารอื่นใครเด็กน้อยมันก็เกิดมาจากเราเราไปสร้างมารขึ้นมารมารมันก็เกิดจากเราแล้วก็มาคัดข้องเราอีกกตัวมารตัวนั้นเนี่คนเรา มันเป็นเสียอย่างนี้โทษแต่คนอื่นไม่โทษเรามาคือตัวของเราได้พูดให้ฟังมันนั้นว่ามามีห้าอย่างคือคันธ์ารรมได้แก่คันห้าตัวของเรานี่แหละกิเลส จ, จะมา กิเลสความเศร้ามองทำใจไม่พ่องใสทุกทุกอุดมิทางทำอะไรทั้งหมดที่เรียกว่ากิเลสคือความเศร้าใจใครทำอะไรมีความผ่องใสสะอาดในใจของเรามีบ้างไหมมันต้องเศร้าใจเศร้ามองใจทั้งนั้น มันเรียกว่าอิเลชมามัจจุมาคือความตายทำอะไรเนี้มว่าทันเสร็จนีทันเรียบร้อยคนทำอะไรงานในโลกอันนี้มันจะเสร็จตายไปได้มาทำอีกมันก็ไม่เสร็จสักทีก็ทำไร่ทำสวนทำนาค้าขายทำอะไรทั้งหมดทุกอย่าง มันเสร็จที่ไหนได้มันตายก่อนอังนั้นเนี่ยตายแล้วก็กลเกิดมาก็ททำอีกต่อไปมันไม่เสร็จสักทีเราเรียกมันมจูมานอาที่สังขาระมาณความที่ต้องการอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะให้เจริญก้าวหน้า มีเัินมีทองไม่เข้าของสิิงใดก็ไม่พอสักทีมี่เขียนจะยศชื่อเสียงก็ไม่พอสักทียังให้ใหญ่ให้โตขึ้นไปเรื่อยๆปรุงแต่งขึ้นมาให้ใหญ่หรือโลก นั่นไม่พออินไม่พอสักทีเรียกอะไอภิสังขารามานเทวบุตรมารท่านกล่าวถึงเรื่องเทวบุตรที่มาลบพระพุทธเจ้าครั้งนั้นยกคนมาลบพระองค์ว่าแทนบันลังนี้ของขา่าและแท้ที่จริงแทนมันลังนั้นพระพุทธเจา้าใดเงี้ยอยากหาจากโสติภามาแตดกรรม อธิษฐานในเป็นแท่นบนร ล, งลังแ้วนั่งทำสมาธิภาวนาที่นั้นบอว่าข้าไปถ้าหากว่าไม่สำเร็จเป็นพระ พ, พ, พุทธเจ้าจะไม่ออกจากนี่แหละไม่อย า, าอนรู้ข่าวเรื่องอนั้นั่งก็โทรมนัดน้อยใจยกคน ปดทิศแปดมาแปดทิศแปดด่านมืดมาเลยเพราะว่าแท่นและในแจกของขาในชายของพระโคด ม, ม, มในคอยแจของพระชิตธทธัตทะแจกของขาดถ้าไม่เชื่อก็ถามลองดูดิเทนะเขาไปเจ้าทั้งของเขงไปเจ้าทั้งหมดพากันเป็นเสกเวิญาณพูดว่าใช่ละมด ทั้งหมู่ทั้งพวกพระองค์มีคนเดียวไม่มีใครเป็นสักคีพิญญานพระองค์จึงอธิษฐานอันนี้เป็นของข้าไปเจ้าในขณะนั้นานางทรณีพุทธึ้นมาลีดน้ำผมบอกว่า อันนี้เป็นของพระสิทธารากกุมารทำการกุศลได้ให้ฐานได้ประการต่างๆรราบามื่มีมาถึงเขียต้องไถ ข, ข้าพเจ้าจะเป็นสักขีพยานอย่า น, าน้ำลงในทรณีข้าพเจ้ารับรองมัดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจริงอย่างนั้นถ้าไม่เชื่อก็ โดยสีรีบนั้นผมออกรีบน้ำออกจังมวยผมน้ำฤรธิ์ท่วมพญามาณทั้งหมดตายหมดเป็นกวงขวางอธิบายให้พุคลาธิฐานคือว่าพ่อทงเรื่องความเงินย่อก็คือความจริงใจของพระองค์สัจจะความจริงใจนักแน่นเหมือนกับธรณี จิตใจไม่หวันไหวนั่นเองปัญญามาเ น, นั่นมีฤทธิ์ปาที่หาญมากใครๆก็ยอมแพ้ใครๆก็หนีหมดเจนานาธราณีทำไมจะไม่ดีนาธนรานีก็คือแผ่นดินนั่นเองความนักแนงเขาพอกองมอย่างนั้นจึงเอาใช้ชนะปัญญามาได้ นังกล่าวถึงเรื่องอุปสรรคคือมารห้าประการอีแตะเทศไปแล้ววันนั้นมารมีหลายอย่างเราเกิดขึ้นมาได้ชื่อว่าเอามารมาพร้อมขันธามารคือตัวของเรา มีการเจ็บการป่วยไมย่ดีสบายเหล่านี้เป็นคันธาน์ามนทำอะไรก็ไม่คัดทาอะไรก็คัดคัดคลองๆลองไม่คล่องแคล่วไม่สะดวกคันธมานนั่นะมันขีดกันป้องกันไม่ทำควดีได้ก็เกิดมา เอามานมาพร้อมไม่ทราบว่าจะลบหลีกไปตรงไหนการเจ็บกานป่วยเรียวกว่าอาภาษะก็ไม่จะไมู่่ดีสบายเรียกว่าอาภาษาาาใครบ้างที่คนุะอยู่ดีสบายอย่างนี้ยืนเดิน น, นั่งนอนเลี่ยงนรวนนะจะเปลียนอิริยาบท กายบรรเทาความทุก์ทั้งนั้นนั่งมากมันก็ทุกข์ก็เดินเดินมากมันก็ทุกข์ก็นั่งเรีอนอนนอนมากมันก็ทุกข์ก็ลุกขึ้นมานั่งก็มาเดินไม่มีอะไรนีแต่ทุกข์ทั้งนั้นตั้งแต่เกิดก็เอาทุกข์มาพร้อมแล้วเอามาแล้พร้อมแล้ว นั่นจึงเรียกว่าขันธ์มานกิเลสสมานก็มาพร้อมแล้วถ้า ม, มีกิเลสมันก็หมายว่าเกิดที่มันเกิดเป็นคนนี่ยเมื่อเกิดเป็นคนเนี่ยพุล้วแล้วจะมีกิเลสทั้งนั้นเราไม่เลยจากตัวมานไม่เลยจากกิเลสโดยสนับสนุนพรอยยินดีกับกิเลสสมาน ความยินดีความยินไายความรักความชังความเกลียดความโกรธทั้งหลายเรนี้มีหมดทุกคนในเมื่อเราอยู่ดีๆไม่มีความเกลียดความโกรธไม่มีความรักความชังแต่เวลาคนมาด่าเราหรือคนมาตีเรา อะไรต่างต่างต้องโกรธพุทธขึ้นมาจาังมานมนอยู่ภายในในความรักความชอบใจมเมื่อเราอยู่ที่ดีก็ม่รู้สึกว่าอะไรเวลาพัดผาาจากการมีบิดามารดาและปูยาตาโทัวพอดีบุปนยาส้ามีก็ดี เกิดความทุกข์ความโศกขึ้นมานงินอันขุดเกิดขึ้นมามันฝังอยู่ในในเรื่องคิเลสอ่มันเป็นเหตุเป็นอุปสรรคเขามาเกิดมาดารักก็ดีชังก็ดีเกลียดโกรธก็ดีชอบใจม่ชอบใจแล้วมันเกิดขึ้นมาทำอะไรก็ไม่ถูก กม้อกกู้ใ จ, จะทำอะไรก็พิหมดเป็นทุกข์เดือดร้อนสิ่งที่ทำไปควรที่จะสำเร็จไม่สำเร็จควที่จะแล้วไม่แล้วคนรที่จะเรียบร้อยไปก็ไม่เรียบร้อยเพราะนันเรเรียกมารมาจูมานคือความตายตั้งแต่เกิดนั่นนะ่ะเราตายมาโดยําดับ ทันเคยอธิบายให้ฟังแล้วมันเปลี่ยนสภาพไปเรียกว่าตายจะอยู่ในคันคันประมาณดามันแก่นะคือมันตายแกย่คือมันจากสภาพของเดิมมันนะถ้าไม่แก่มันก็ไม่คลอดออกมาคลอดมันด้กจแก่ด้วย้งดาลำรั บ, รบ มันไม่ได้ว่าตายไปโดยลําดับเปลี่ยนสภาพไปโดยลําดับเนื้อหนังของเรามันเปลี่ยนอยู่เสมอเซลล์น้อยเซลล์ใหญ่อยู่ในร่างกายนี้ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอย่างนั้นประสาททั้งหลายตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอย่างนั้น น, นี้ตายเข้าไปหม่เกิดเข้ามานี้ตายปไปใหม่เกิดขึ้นมาวอนที่มันจะ เจ็บมันเจ็บป่ว ย, ยมันจะอาพาษน์มันก็ตายก่อนมันีะคอยมาอาพาษณ์ตายแล้วโดยลําดับมันจะคอยมาปรากฏเจ็บป่วยภายนอกมันเจ็บป่วยคือภาระมันเรียกว่ามนมรณะเดี๋ยวขัดเรียกว่ามานัา่นหนึ่งความคิดความนึกที่ชอบปรงชอบแต่ง อะไรต่างชอบเป็นใหญ่เป็นโตชอบกว้างกว้า ง, งนั้นก็เป็นที่สังขารามานใครอยู่ยิ่งนิ่งเฉยไม่มีหรอกต้องคิดต้องปรุงต้องแต่งการคิดปรุงคิดแต่งนี่แหละถ้าไม่จิตใจไม่อยู่นิ่ง เป็นอุปสรรคของความสงบนั่นจะงเรียกว่ามานเทียวปุตตะมานถ้าหากพูดตามนายที่บายมันั่นเ็เรียกว่าเทียวบุตรถ้าพูดในที่นี้ในทางปฏิบัติ เทว บ, บุตรคือผู้ชายเทวดาคือผู้หญิงคิดอิสระในทยาผู้หญิงทำให้กดขี่ข่มเหผู้หญิงอันนั้นเรียกว่าเทว บ, บุตรมานมีนพูดถึงเรื่องมานติดต่อไป เ้าเกิดขึ้นมาเอามารมาพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราจะหนีจากมารไม่ได้คู่ไดหนีจากมารผู้เด้พ้นเดื่อของมารนี่เรียกว่าพ้นจากโลก้องคิดดูสิเคยพ้นได้ครั้คะนี่พระพุทธเจ้าท่ยังเทศนาของจริง ถึงแม้มนุษย์จะเห็นหรือไม่เห็นของจริงท่งานก็เทศเทศไว้เพื่อให้เป็นให้เห็นตามเป็นจริงมันเป็นมานอย่างนี้เกิดขึ้นมามีมานอย่างนี้อย่างนี้คนที่ไม่อยากจะพ้นจากโลกฟังไว้มันหากจะถึงคราวหนึ่งมารจะไปชนคราวหนึ่ง ถึงตปจนอยู่แล้วก่อนไม่รู้ตัวหามาันไปจนหนัหนกๆเข้ามาแน่แกรู้ตัวเรียนไว้ฟังไว้ดีกว่าไม่ฟังไม่เรียนคลานไม่ฟังไม่เรียนไม่รู้ไว้ก่อนไม่มีวิาีแก้ไขเราเรียนจดจําไว้ฟังไว้ ถึงขาวนั่นมาจะได้เอามาใช้ได้ดีที่สุดหรือมีอย่างน้อยที่สุดเมื่อถึงการเวลามาแล้วอย่างอคันธรรมานิี่สมานอะไรต่างมาทั้งหายละมันปรากฏขึ้นมาเป็นสารคจะรู้เรื่องได้ ว่าโอ้เราได้ฟังเทศครั้งนั้นท่านพูดได้ฟังข่าวนั้นท่านว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นจริงอย่างทันวาเลยไม่มีผิดรู้สึกตัวขึ้นมาได้ทันทีนี่เลยทิงวาพูดได้เจ้าเทศเพื่อให้เห็นว่าโลกอันนี้นั้น มีแต่ทุกข์เท่านั้นแนะ่ะคือมารจะจนอยู่ตลอดเวลาเทศนาเพื่อให้รู้จักการต่อสู้รู้จักเรื่องต่อสู้ทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วต้องต่อสู้อยู่เฉยๆไม่ได้ชีวิตอันนี้เรียกว่าชีวิตต่อสู้ รวมจุครวมก็เรียกว่าทุกนั่นแหละไม่มีอะไรเหลือไี่จะทุกทั้งนั้นธรรมเทศน า, าที่แสดงถึงเรื่องมารอธิบายต่อก็พอสรุปรวมในเสียงแค่นี้และสภาวนาแต่ละทีแต่ละครั้งเราจะต้องต่อสู้ มานทั้งห้านี้ทุกครั้งไปใครไม่ต่อสู้ใครนั้นก็คนนั้นได้ชีวาไม่ได้ภาวนาถ้าต่อสู้เอาชนะมันจิตก็รวมได้ถ้าไม่ชนะมันก็ไม่รวมพระพุทธเจ้าท่านท่านเทศท่านไอพระพุทธเจ้า ท่านก็เอาชนะมารแต่ก่อนยังได่สาเร็จเป็นิุปเท迦เราไม่ถึงกับชนะมารไม่ไม่สาเร็จอุปเท迦เป็นอุเปเจ้าแต่เอาชนะมารได้เป็นครั้งเป็นคาวพันจามาเรชินีนาโธปโตสัมโพธิมุตมังชนะมารฮาได้แล้วจึงสําเร็จเป็นอุปเท迦ถ้าหากเห็นตัวมารู้ตัวมาร นั่นมันยอมแพ้มันคนนั้นได้ชื่อว่าอดทนสู้จนกระทั่งถึงที่สุดไปยอมท้อทอยไม่ได้อารมณ์เกิดขึ้นมาเรียกกิเลสมานคนเจ็บใครไม่สบายเหน็ดเหนื่อยก็เรียกว่า ขันธ์มาสิเลสมานมากมายรวมเรียกว่าขันธมามานั่นกับมัจจุมาร์นั้นรวมกันเป็นเป็นรูปเยาวรูปประคักิเลสธามาสิบุตรธาที่ิสังฆามานั้นเป็นน้ำรวมมันเรียกกับรูปกับนาำแค่นี้แหละไม่ในนอกเหนือจากนี้เลย พระพุเจ้าสันเทศนาอยาเยา ะ, ะรวมมึงเรียกว่าตั้งสติกับนดอันเดียวเท่านั้นนะสติแล้วเข้าไปอยู่ในที่ใดแล้วมันต้องแตกกระจายสติก็้าไปควบคุมจิตเห็นจิตอยู่ตลอดเวลามานนอะไรเกิดขึ้นมาก็เห็นอยู่ตลอดเวลางานะเข้ามันต้องแพ้เราแน่นอน มันเจ็บตรงไหนไม่สบายตรงไหนเอาสติตั้งแต่ตั้งแน่วในตรงนั้นนหะละไปแพ้ใ่ตรงนั้นแนหะพิจารณาตรงนั้นนะี่มันต้องแพ้แล้วแน่นอนแพ้แล้วก็เบิกป่าแล้วก็สบายอยู่เย็นเป็นสุขสติแต่ในี้เป็นของสําคัญมีคุณค่ามหาศาล ในพุทธศาสนาทางฝวงมดสติตัวเดียวเท่านั้นไม่มีแะ้วนอกจากนั้นสติตั้งมันแน่วแน่งแล้วเป็นนั้นว่าเราต่อสู้แล้วทั้ น, นต่อสู้จนเอาชนะจนปลอดโปรงจนปล่อยวางไปได้ปลอดโปรงโลกมด นนนชนะแล้วเหตุนั้นเราจะเราจะเอาชนะมานคือต่อสู้มานตั้างสติให้มันคงเขาแล้วกันเอาละทำเลย